แนะนำบทอัลบาลัตบทนี้เป็นบทมักกิยะมียี่สิบองค์การบทนี้ได้เริ่มต้นโดยการสาบานต่อเมืองที่ต้องห้ามซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนาบีสนหลอล้อวะเดลสลัมเป็นการให้ความยิ่งใหญ่แก่กิจการท่านเป็นการยกย่องสถานะอันสูงส่งของท่านหน้าที่พระเจ้าของท่านและเป็นการเตือนพวกกุฟฟารว่าการทำร้ายท่านรอซูลในเมืองที่ปลอดภัยนั้นเป็นบาปอันอกติต นักที่อวล้อผู er ้ทรงสูงส่งวันนี้ได้กล่าวถึงพวกผู้ฟาดมักกะบางคนซึ่งภาคภูมิใจในพลังของพวกเขาแล้วก็ดื้อรั้นศัจธรรมและปฏิเสธท่าร้อซูลซลลลอฮฺวาเลวัสลัมพวกเขาได้ใช้จ่ายทรัพย์ออกไปในการอวดอ้างและการประปวดประชันกันโดยคิดว่าการจ่ายทรัพย์สมบัติไปนั้นจะช่วยผลักดันการลงโทษของอัลลอฮฺให้พ้นไปจากพวกเขา โงการต่างๆได้ตอบโต้พวกเขาด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและข้อพิสูจน์อันชัดแจ้งบทนี้ได้กล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันเพียมาและสิ่งที่จะปรากฏต่อหน้ามนุษย์ในพรโลกเช่นความยากลำบากความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานาประการซึ่งเขาจะไม่สามารถแก้ไขหรือผ่านทนไปได้เว้นแต่ด้วยการศรัทธาและการทำความดีเท่านั้น บทนี้ได้จบลงด้วยการแยกระหว่างบรรดามุมินผู้ศรัทธาและพวกปฏิเสธศรัทธาในวันอันน่าลำบากนั้นและได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของบรรดาผู้มีความสุขและบั้นปลายของบรรดาผู้มีความทุกข์ในวันแห่งการตอบแทนด้วยพระนามของอล l a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอสาบานด้วยเมืองนี้มกักกะและเจ้านั้นเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองนี้และขอสาบานด้วยผู้บังเกิดและผู้ถือกำเนิด โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อเผชิญความยากลำบากเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดมีความสามารถเหนือเขากระนั้นหรือเขาจึงกล่าวว่าฉันได้ฐานทรัพสมบัติมามากมายแล้วเขาคิดว่าไม่มีผู้ใดเห็นเขากระนั้นหรือ ين ين ن ن เราไม่ได้ทำให้มีดวงตาทั้งสองข้างแก่เขาดอกหรือและลิน้นและริมจีบปากทั้งสองด้วยถ้าเราได้ชี้แนะทางแห่งความดีและความชั่วแก่เขาแล้ว ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ท่าเพียรในความยากลำบากและอันใดเล่าที่จะให้เจ้ารู้ว่าทางลำบากนั้นคืออะไรคือการปล่อยทากร่าดรืยการให้อาหารในวันอันหิวโหยแต่เด็กกำพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด หรือคนขัดสนมอมแมมอยู่กับ บ, บินแล้วเขาก็ได้อยู่ในหมู่ผู้สัท ธ, ธาและตัดเตือนกันให้มีความอุทนและตัดเตือนกันให้มีความเมตตาก็ได้อยู่หมู่ผู้ละตกอกันใหมีความอดทนและตักเตือนกันให้มีความเมตตา ชนเหล่านี้คือพวกฝ่ายขวาส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของเราพวกเขาคือพวกฝ่ายซ้ายบนพวกเขานั้นมีฝ่ายนรกครอบคลุมอยู่อย่างมิจิต